ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุทธเป็นช่วงของตายร่มพธิบดเรากำลังอยู่ในซีรีส์ของการทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปาทก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะแม่บทนี้เรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งตามัน ด้วยการใช้เครื่องมือคือลมหายใจของเราลมหายใจเป็นกายชวนที่เป็นธาตุลมในกายของเรานี้เราหายใจเข้าลมที่เข้าไปก็เป็นลมหายใจเข้าเป็นจุดที่จะเผาปรานอาหารเป็นจุดที่จะให้เกิดพลังงานเป็นธาตุลมหายใจออกก็เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา กำจัดของเสียในร่างกายออกไปเข้าออกวนไปเห็นกายผ่านทางลมหายใจคือเห็นธาตุลมแล้ว้าลมอันใดภายในอย่างไง้าลมอันนอกภายนอกก็อย่างนั้นลมข้างนอกก็คือลมอันเดียวกันข้างในมาพิจารณากายเราทัา้งอานาบานาสติมันก็อันเดียวกันกับกายยะคตาสติ ก็อันเดียวกันกับพุทธานุสติแล้วก็อันเดียวกันกับจารานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติมรณะสติด้วยเพราะอะไรเพราะมันให้เกิดสติปัณณ์สีเหมือนกันไม่ว่าจะเข้ามาจากประตูทางด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกหรือตะวันตกก็เข้าสู่อาคารเดียวกันเหมือนกันตั้งสติไว้ท่านู้ังเห็นลมหายใจของเราเข้า เห็นลมหายใจของเราออให้จิตของเราไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้จิตของเราอยู่ภายในกรอบขอบของผิวหนังบนสุดนั่นก็คือปลายผมล่างสุดนั่นก็คือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้จิตใจของเราอยู่ในอาณาบริเวณนี้เริ่มต้นจากลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลม ร่างกายของเรามันมีชีวิตอยู่ได้เราลมหายใจเข้าลมหายใจออกประกอบกันอยู่กับธาตุอื่นๆคือธาตุดินธาตุน้ำและธาตุไฟธาตุลมภายนอกอย่างไรธาตุลมภายในก็อย่างนั้นอันเดียวกันเพราะว่าที่เข้าไปภายในก็มาจากข้างนอกดินด้วยน้ำด้วยไฟด้วยข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นมันก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนไั่นแหละ คุณกินอะไรลงไปมันก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ําอยู่ในกายเราอย่างนั้นกินอาหารดีๆกินอาหารแย่ๆเป็นจังฟู้ดเป็น processed food เข้าไปในร่างกายมันก็อยู่ในนั้นเป็นธาตุดินในนั้นธาตุน้ำํำก็เหมือนกันดื่มน้ําลงไปที่ปัสสาวะออกมาก็คือน้ําที่เราดื่มก็ไปแล้วแหละจะเป็นกาแฟเป็นชามันก็ออกมาทางนั้น จะเป็นน้ำหวานน้ำเขียวน้ำแดงน้ำแร่น้ำสกปรกน้ำสาะมันก็ออกมา่างนั้นกรองกันออกมาเข้าออกมันอนเดียวกันเหมือนกันข้างนอกเครื่องไหนดินน้ำผสมกันแล้วมีอากาศเข้าไปทำการสันดาบมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาก็เป็นลักษณะเดียว ก, กันกับไฟที่อยู่ภายนอกไฟที่อยู่ภายนอกก็อาศัยเชื้อเพลิง อาศัยอากาศมีการสันดาบกันกระตุ้นด้วยความร้อนมันก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นมาเผาไหม้กินเชื้อแล้วก็ผลิตความร้อนออกมาเป็นความร้อนด้วยจากปฏิกิริยาแบบเดียวกันข้างนอกเป็นอย่างไหนข้างในไฟก็เป็นอย่างนั้นความร้อนอันเดียวกันดูฟังดินน้ำไฟลม มีอยู่ในร่างกายของเราภายในภายนอกเหมือนกันภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นลองถ้าเราไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่หายใจดูดิมันอยู่ไม่ได้นะร่างกายเรามันเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกที่เราเดื่มกินหายใจให้ร่างกายอบุนไว้ร่างกายของเราไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเอง ต้องอาศัยปัจจัยเงื่อนไขต่างๆจึงจะเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยคือมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นมาด้วยข้าวสุขและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็ยังมีความกระจัดกระจายแตกสลายได้เป็นธรรมดาเราไม่ควรจะเห็นกายนี้ว่าเป็นตัวเรา เป็นของเราเป็นตัวตนของเราเพราะอะไรเพราะว่ากายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไงเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเรายึดถือทุกความเป็นตัวตนเราจะมีปัญหาทันทีคือเราก็ใช้ผิดถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนานั่นไม่ดีเลยนั่นไม่ฉลาดเลยเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าใจถึงสภาพตามความเป็นจริง ให้เราตั้งสติเอาไว้เห็นกายอยู่ตามสภาพความเป็นจริงของมันโดยความเป็นความไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นอนาัตตาโดยความเป็นกอมไม่เที่ยงหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อ๋อละตำรวจฟังหลังจางที่เราได้ทำจิต ให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาลุยกันมาลุยทำความเข้าใจเข้าไปตามกระบวนการตามสายแห่งร่มเงาของโพธิในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเข้ามาอยู่ในร่มเงานี้เป็นร่มเงาเป็นแสงแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ฉายไว้ให้เราได้อยู่อย่างอบอุ่น เย็นใจมีเมตตาประกอบด้วยความอดทนแบบมีปัญญาสามารถที่จะทำจิตให้ปล่อยวางให้เข้าใจสถานการณ์เรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเราทำจิตให้สงบมาแล้วก็มาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะกันต่อไปังวันนี้ก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาท เป็นตอนที่หกแล้วเป็นซีรีส์ที่ขาพระชาได้อธิบายเรื่องธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทไล่มาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งก่อนเข้าพรรสานูน่นเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าจบในตอนก็ได้เพราะว่าแต่ละตอนแต่ละตอนก็จะมีไฮไลท์ความสำคัญ ในหัวข้อธรรมะเรื่องนี้อธิบายคนละจุดละตอนไฮไลท์ที่ผ่านมาที่ถ้าตัมบูฟังยังไม่ได้ฟังก็ค่อยไปตามฟังภายหลังก็ได้เช่นเรื่องปฏิจจสมุปานี้เป็นคู่ที่แต่ละคู่นั้นก็จบไปในตัวทั้งหมด11คู่มี12อาการแต่ละอาการนั้น ข้าพเจ้าบอกเทคนิคการจำเาไว้ว่าเหมือนหน้าปัดนาฬิกาเลข12คืออวิชาเลข6คือเวทนาเลขสคือนามรูปเลข9้าคือพบเป็นคู่เป็นกู่เอามาเรียงต่อกันมันจึงดูเป็นสายแต่จริงแล้วตัวก็มันเป็นคู่เท่านั้นสามารถที่จะดับในคู่ไหนเกิดในคู่ไหนก็ได้ ตามกระบวนการตามเหตุปัจจัยของเขาไม่ได้ว่าจะต้องมาดับเฉพาะตรงตัณหาอุปาทานหรือเวทนาตัณหาหรืออวิชชาสังขารมันได้หมดทุกคู่เลยจะมีคู่พิเศษบางคู่ที่จะบอกถึงมันครอบงำไปหมดนึ่นก็คือตั้งแต่นามรูปสายตนะ วิญญาณนามรูปอวิชาสังขารตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่แหละมันมีความสำคัญที่จะมีความพิเศษว่ามันกลับไปกลับมาได้ด้วยความที่มันกลับไปกลับมาได้เข็มนาฬิกามันก็จึงวนไปจากส2องก็ไปหนึ่งได้มันคือตั้งแต่เลขเก้าไปนี่แหละนามรูปวิญญาณสังขารอวิชา พระท่านทำให้จาก12มันก็วนไปหนึ่งต่อได้1มาถึง9ตีวนกลับมาไป12และหนึ่งได้เพราะความเป็นคู่พิเศษของมันตรงนั้นเรื่องนี้เราได้กล่าวไปแล้วซึ่งหลักสำคัญเลยนั่นก็คือว่าไล่เรียงมาตั้งแต่เบอร์หนึ่งคือความทุกข์ที่เราอาจจะท่องกันได้แต่หลายท่านก็ท่องได้ ที่ว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมีสังขารจึง ม, ม, มีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปต่อไปนี่อันนี้คือจาก12มา 11, 1เอ็ดสิบเก้แจ่มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเวลาพระพุทธเจ้าท่านคิดไตรตรองกลไลกลัวเนี่ยนะท่านเริ่มจากความทุกข์ซะก่อนแล้วจนไปถึงอวิชชาไม่ใช่เริ่มจากอวิชชามาจนถึงทุกข์คพูดที่อธิบายไว้ที่เราได้ฟังได้ฟังนี่ คือท่านเรียบเรียงแล้วเรียบเรียงไตรตรองใกล้ค ร, รวนกำหนดบทปเปลี่ยนชนะออกมาอย่างนี้แต่วิธีคิดของท่านตั้งแต่แรกสวนทางกันมาจนได้หัวได้ยอดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำความเข้าใจคือเจ้าอาวิชชาแล้วจึงเอาที่สำคัญที่สุดนะ่ะขึ้นมาก่อนเวลาท่านพูดนะเขาที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำใส่ใจให้มากเลยเข้าใจให้ดี เราอาวิชามาก่อนเผื่อว่าเวลาพูดไปพูดไปแล้วมันไม่ถึงตัวทุกเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีอวิชามีนามรูป ม, มีอะไรพวกนี้ให้ทําความเข้าใจไปก่อนละอะแล้วก็ดีใช่ไหมละ่ะแต่ตอนเริ่มคิดนี่คิดไปถึงอวิชานี้ไม่ได้เลยทุกฝังเพราะอาวิชามันยังกลุ่มอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่รู้อะไร ค, คิดว่ามันมีแต่กองทุกเหตุและทุกมันเกิดมาจากอะไรออมีการเกิด แล้วการเกิด ม, มาจากอะไรอะไรมีการเกิดจึงมีโหมันก็มีพบนั่นแหละอ่าทําไมพบถึงมีเพราะอะไรมีพบจึงมีเพราะอะไรไม่มีพบจึงจะดับผมก็ประทานไงไหลขึ้นมาอะไรึมาอย่างนี้ใช่ไหมกระบวนการความคิดไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างนี้ก็ประชาว่าไปแล้วนะจนถึงอวิชชาแล้วนะทีนี้จากเจ้าตัวอวิชามันยังไม่ได้ชบแก่นี้เบรกทรู through, ครั้งที่1คือการทลุ ทะลวงจากความเข้าใจเรื่องวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณใช่ไหมทะลุออกมาว่ามันคือสังขารนั่นคือการปรุงแต่งทะลุตรลวงครั้งที่หนึ่งแล้วกิเลสมันล็อกเราจากทุกทิศทางเหมือนจะดันด้านหนึ่งได้มันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งดันมันจะล็อกด้านหนึ่งได้มันเหมือนหนีบนะมันก็ต้องมีด้านหนึ่งหนีบเอาไว้ถ้าเราจะมาดันด้านเดียวคุณก็ทะลุมาข้างหนึ่งใช่ป่ะมันต้องดันอีกด้านหนึ่งด้วย เพียแต่ว่าดันด้านหนึ่งก็ดันได้อีกสองด้านเลยนะเออดันด้านเดียว ม, มันก็ดันได้ทั้งกลุ่นแหละปัญญามันจึงต้องกลมเห็นทะลุทะลวงต่อไปว่าอ๋อเจ้าอาวิชชาท่านจึงเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรสิ่งที่เราไม่รู้นะั่คืออวิชชาหนึ่งเราไม่รู้เจ้าตัววิชาเราจึงอยู่ในอวิชชานิ่บรกครูครั้งที่สองนะตัวฟังนะเอาเช่นนั้นเราก็ต้อง ทำยังไงให้เจ้าอาวิชามันดับไปอ่ะก็ต้องทำวิจาให้เกิดขึ้นสิเพราะความเกิดขึ้นของวิชาอาวิชาจึงจะดับไปเพราะความจางคลายค่อยๆจางคลายไปใช่เพราะความก็ดับไปของอวิชามันจึงจะดับสังขารได้กระบว น, นการความคิดที่ว่าพระอะไรมีนาสังขารการปรุงแต่งแบบนี้มันจึงมี อะไรมันจะดับไปไม่มีนอสังขารการปรุงแต่งแบบนี้มันจึงจะไม่มีเอาได้ความรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมเบรกครูมาละแล้ ว, ลวอวิชชาละ่ะนี่มาคิดต่อไปนะมาคิดต่อไปอะไรตรองไครกรวนเอถ้าอะไรมีอวิชชาจึงจะมีอะไรดับอวิชชาจึงจะดับก็อวิชชานั่นแหละมีอยู่อวิชชามันจึงมีเพราะอาวิชชาเป็นปันจจัยจึงมีอวิชชา มันก็วิชาไปเรื่อยๆไงใช่เปล่าเอ า, อางี้นั้นคิดขาดับดูนี่นะเบรกตรูนะคิดขาดับดูว่าเฮ้เพระอะไรถ้ามันไม่มีละ่ะหรือถ้ามันดับไปอะอาวิชามันจ ะ, จะดับไปคิดดูก็ต้องอาวิชาดับไปอาวิชามันถึงจะดับใช่ป่าคิดตังขาเกาิดข า, าดับนะถ้าจะให้อาวิชาดับไป เพื่อให้อวิชามันดับอ่ะแล้วถามอย่างนี้ว่ามันต้องมีอะไรอวิชามันถึงจะดับได้อ่ะเพื่อจะให้อวิชาดับไปเนี่ยอวิชาต้องดับใช่ไหมฝั่งดีๆนะเติมฟังนะเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอวิชาก็มไม่รู้นะมันก็มีแต่ความไม่รู้เท่านั้นแหละมันก็มีอวิชานั่นแหละอวิชามันจึงมีใช่ปะละ่ะนี่ไม่ได้กวนนะแต่ว่านี่คือที่พระพุทธเจ้าท่านคิดนะตฟัง แต่ตอนเป็นโพดิสัตนะท่านคิดอย่างนี้นะว่าถ้าจะให้อวิชชาดับอวิชชามันก็ต้องดับทัวละเพราะมันมีอวิชชามันจึงมีอวิชชานี่ยถ้าจะให้อวิชชาดับอวิชชาเขาต้องดับอ่ะเพราะความดับไปแห่งอวิชชาอวิชชามันจึงจะดับพูดแล้วก็เหมือนกวนใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามีแต่ความไม่รู้เต็มไปหมดไงเอางี้ต้องทํำยังไงอวิชชามันจึงจะดับ เอออย่างงี้ต้องทำยังไงแล้วิชามันจึงจะดับอา้าคุณก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นดิชื่อมันมีอยู่แล้วคือความไม่รู้ก็ต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นปะใช่ต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นความไม่รู้มันจึงจะดับไปแบมเลยทุกฝังแบมแบบนี็คือว่าโอ้มันเบรกรวยละทะลุทะลวงละ โดยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งวิชาหรอรู้สึกทำยังให้วิชาเกิดอ่ะเพราะอะไรมีวิชามันจึงจะมีวิชาคือความรู้วิมุตคือความผลเพราะอะไรมีวิชาวิมุตเหมันจึงจะมีจึงจะเกิดก็ได้ความรู้ว่ามันก็ต้ององค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนั่นแหละคือโพอชงต้องมีโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมจึงจะมีวิชา จึงจะเกิดมิโมดได้เราถามว่าเอจะทำาเงไให้โพชฌงมันเกิดขึ้นเฮ้ยโพชฌงนี่มันคืออะไรก่อนนิกิตท่านบัญญัติขึ้มานะโพชฌงในนั้นนี่ประกอบด้วยสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิเรยสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌง และอุเบขาสัมโพชงทั้งหมด7อย่างนี้เป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะทําให้เกิดวิชาคือความรู้และวิมุตติคือความพ้นเอาถ้าฉันจะต้องการให้เกิดวิชาวิมุติฉันก็ต้องทํา7อย่างเหล่านี้มีสติมีการใคร่กรวนสอดซองเลือกเฟ้นธรรมะนั่นือธรรมิสยะ มีการทำจริงแน่วแน่จริงนั่นคือวิริยะมีความอิ่มเอิบใจสบายใจนั่นคือปีติมีความสงบระงับเย็นใจนั่นคือปสัสสติมีความที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวนั่นคือสมาธิมีความที่ใจเป็นกลางวางเฉยในสิ่งต่างๆไดน้นั่นคืออุเบกขาเจ็ดอย่างนี้คำถามก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะ พระอะไรมีพ่อชงเจ็ถึงจะมีพระอะไรเกิดพ่อชงเจ็ดมันยังจะเกิดถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นอะไรไม่รู้ละ่ะพ่อชงเจ็ดนี่จะดับไปได้มันอะไรเอามันเริ่มที่สติใช่เปะละ่าล่ะของก็ต้องเป็นสติปะฐานสี่แ ล, ละกระบวนการการเกิดขึ้นของพ่อชงแต่ละข้อละข้อนี่มันเริ่มมาจากสตินะ่ะ เพราะเวลาที่เราตั้งสติไว้ได้เปิดไแล้วเนี่ยเราจะมีการาไล่กรวนเลือกเฟ้นธรรมะด้วยปัญญาได้ทไาไมเพราะกสติทำใหเราไม่ได้จะเคลื่อนข้อไปหาสิ่งนั้นเพราะมันไม่เพลินไปในสิ่งนั้นไงสิ่งนั้นเนี่ยอะไรหนามรูปวิญ ญ, ญาณสนิจตนาวีธนาพวกนี้แหละจิตไม่เพลินไปปราอะไรเพราะไม่ลืมไม่เผลอไม่เผลออะไรไม่เผลอสติไง นิสติอยู่ความเพลินก็ลดลงเหมือนเดิมใหญ่กันเพอความเพลินลดลงการที่จะไปกลือกลั่วสวยอารมณ์อย่างเต็มที่มันก็เบาบางไม่มีไม่มีแล้วมันเห็นตามเนื้อผ้าไงเห็นตามเนื้อผ้าในสิ่งนั้นสามารถสอดส่องใกล้ครวนริตรึกได้ด้วยปัญญานี่คือธรรมวิจยะไอ้การกระทำแบบเนี้ยที่เรามาใกล้ครวญธรรมม า, มาเห็นความจริงของมัน แยกตัวออกได้นี่มันเป็นการเพิ่มกุศลธรรมมันเป็นการลดอักุศลธรรมเรียกว่าเป็นวิริยะลักษณะการเพิ่มกุศลลดอกุศลนั่นคือวิริยะคือการลงมือทำจริงนแน่จริงแล้วเพราะว่าบางคนนี่ก็คิดเอาว่าเออฉันนี่จะต้องทำความเพียนนะทำสมาธินะแต่ว่ากิเลสมันลดไหมถ้าไม่ลดนี่คือ ไม่ได้ทำความเปลี่ยนจริงๆจังๆเป็นลนักษณะการอ้อนวอนกรร้องเป็นสันตาหัวเต่าเฉยก็ต้องมีวิระยะคือความเปลี่ยนเป็นลนักษณะการทำจริงแนวแน่จริงพอกุศลธรรมมันเพิ่มไปถึงค่าหนึ่งกุศลธรรมมันลดจนถึงค่าหนึ่งค่าหนึ่งนั้นจะมีอยู่ในจิตใจของเราที่เราจะรู้สึกถึงความสบายใจความอิ่มเอิบใจความแบบปลื้มใจ เพราะว่าในช่องทางใจของเราเนี่ยนะดูฟั ง, งนะมันเป็นช่องทางใช่ไหมเหมือนช่องทางหูช่องต่างๆเนี่ยแหละคือถ้าในหูเราเป็นต้นเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยมันมีขี้หูเยอะแล้วมันก็มีน้ําขังอยู่ด้วยเนี่ยเป็นรูๆเล็กๆ เ, เ, เข้าไปนี่โอ้มันจะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนนะเสียงนุ่มๆเย็นๆ ม, มันก็กลายเป็นอ e ูอีอูอีเสียงแหลมๆทุ่มๆ ม, มันก็กลายเป็นอื้อักอืกอกขึ้น มันไม่ได้ยินชัดเจนนี่คือลักษณะที่ว่าช่องทางหูนี่มันมันมีอะไรติดอยู่มันเป็นน้ำหน่วงมันเป็นอะไรว่าไปช่องทางใจก็เหมือนกันนะว่าถ้ามันมีสิ่งที่เป็นอักุศลอยู่มากเนี่ยนะไปรับรู้อะไรถ้ามีเรื่องยุ่งยุ่งมันก็จะยุ่งใจละถ้ามีเรื่องให้ไม่สบายมันก็กลายเป็นไม่สบายใจละถ้ามีเรื่องให้เดือดร้อนมันก็เป็นร้อนใจละจะรับรู้อะไรมันจะวุ่นวายใจไปหมดแต่ถ้า เราเอาสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นออกไปจากช่องทางใจให้มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมีมากขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงลดลงเนี่ยเออเดินไปทางไหนมันสบายท่านเปรียบไว้เหมือนกับเด็กเลี้ยงควายเ็เอาควายไปเลี้ยงตามโคกตามพุ่งตามนาที่โลง่ลงๆนี่มันไม่ต้องคอยระวังเหมือนตอนที่ เดินผ่านแปลงนาะที่มีข้าวกล้าของคนอื่นกบลูกไปอยู่นี่อู้นต้องระวังมากาควายเราไปกินข้าวเขานี่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ต้องคอยระมัดระวังแต่ถ้าเป็นที่โลง่ลงๆกว้างๆสบายๆไม่มีปัญหาเลยนะสบายคือสบายเลยสามารถที่จะไม่ต้องกังวลอะไรได้เหมือนกันกันกบว่าเวลาที่เรา ม, ามี กุศลธรรมเพิ่มอ่ะกุศลธรรมลดจนถึงค่านหนึ่งแล้วจะทำให้เรามีความสบายใจนะั่นคือปีติมีความอิ่มเอิบใจภายในความอิ่มเอิบใจความสบายใจภายในนี้เกิดขึ้นจากในภายในที่โดเป็นนิรามิตไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเช่นเสียงต้องร้องเพลงนี้นะเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉันแม้แล้วก็ทามันได้กินคู่กันกันกบ อาหารประเภทนี้มันก็อาหารโปรโดของฉันอันนี้ก็ต้องออกเสียงมาล่อผ่านดังหูต้องเอารสมาล่อผ่านดังลิ้นมันถึงจะมีความสุขใช่ปะในถ้าไปหาความสุขแบบเนี้คือโดนเกี่ยวแล้วเกี่ยวเข้าที่หูเกี่ยวเข้าที่ลิ้นด้วยไอ้เจ้าความเพลินความพอใจคนเราพึ่งทิ่มก็ไปหาความสุขชนิดนี้ไม่ถูกต้องไงถ้าหาความสุขนี้เป็นอามิตรมีปัญาได้มีโทษมากมีคุณน้อย แต่ความสุขที่เป็นนิรามิรไม่ได้ต้องอาศัยกับเรื่องล่อเนี่ยมีคุณมากมากมายมหาศาลเลยเป็นหนึ่งในองค์ธรรมของพว้ชงด้วยมีโทษนี้เดียวน้อยมากคือก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่แต่มันน้อยโทษของสิ่งเหล่านี้สติเป็นต้นจนถึงเบิกาเนี่ยคือมันไม่เที่ยงไงเราจะ่ยิ้มมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาเออมันก็ อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยละมันก็ไม่ที่อย่างเช่นมาล่ะแต่ว่ามันดีกว่าทําให้มกัมกมักหนึ่งจะดีมีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแบบนี้แล้วความที่จิตของเราเนี่ยมันจะไปพึ่งพาสิ่งภายนอกความที่จิตของเรายมันจะไป depend on rely on ออาศัยคล้อยน้อมเคลื่อนไปตามสิ่งภายนอกเนี่ยมันจะลดลง พระมันไม่ได้ต้องอาศัยเครื่องรอแลไงความที่จิตพึ่งภายนอกลดลงสิ่งภายนอกจะเป็นอะไรงไงฉันก็โอเคสบายได้ลักษณะแบบเนี้คือความที่กายมีความสง บ, บระงับคือความที่จิตนั้นมีความสง บ, บระงับความสง บ, บระงับนี้นั้นน่นนะเรียกว่าปะะัจสถานเป็นปะะัจสถานสัมโพชงมันไล่กันมาเห็นไหมมันมีเงื่อนไขปัจจัยอาศัยกันแล้วจึงเกิด น, นะอาศัย สติจึงเกิดธรรมวิจยะอาศัยธรรมวิจยะนึ่นเป็นวิริยะอาศัยวิริยะจึงมีปีติอาศัยปีติแล้วจึงมีความสงบระงับหนึ่งคือปัสสธิอาศัยปัสสติคือความสงบระงับแล้วจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นน่นนะคืออะไรสมาธิสิมันเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิสัมโพชง เพราะจิตมีความตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเป็นเฉาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นเป็นอย่างดีมีอะไรมากระทบเน็ตหวังก็าสามารถวางเฉยได้มีใจเป็นกลางได้นิ่งอยู่ได้นั่นคืออุเบกข า, าอุบาาเบกขาแปลว่าความวางเฉยจิตใจที่ประกอบด้วยโพโฉงเจดแบบนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะ มันก็ไล่กันมาไล่กันมาเหมือนกับน้ําที่ไหลมาตามแม่น้ําจากนุ่มเป็นภาคเหนือฝนตกอยู่ในป่านในเขามันไหลรวมกันมาเป็นแม่น้ําปิงวังยมน่านตอนแรกๆ ก, ก็เป็นลําลางรวมกันเข้ารวมกันเข้าก็เป็นแม่น้ําน้อยจากแม่น้ําน้อยมารวมกันที่นครสวรรค์ก็กลายเป็นแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ำเจ้าประยาน้ำที่เราเห็นมากๆในแม่น้ำแต่ละสายละสายเนี่ยมันเกิดจากฝนที่ละหยดละหยดน่ะทุ่ฟังในประเทศไตเนียนะกไม่ได้น้ำบรวมต่างประเทศที่ว่ามันมียอดเขาที่มีหิมะมนกหิมะละลายหิมะองไรก็ตามมันก็เป็นน้ำตื้นหยดที่สะสมก่ขอขึ้นเป็นสเก็ตของน้ำแข็งก็ที่ละน้อละนเหมือนกัน ทีละน้อทีอนอยสติตั้งไว้ก็ทําให้มีการไครกรุนทํามีความเพียนมีปีติจนถึงอุเบกขาได้พระพุทธเจ้าไตร่ตรองไครกรุนคิดเรื่องนี้เนียนะไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะท่ฟังเป็นวันๆนุ่นนะ่ะเป็นหลายๆวนนะนนันนุ่นนะ่ะเป็นเดือนเดือนน่นน่ะที่ว่าไตร่ตรองไครกรุนคิดเรื่องนี้อยู่โอ้โนี่คือพ่อชองเป็นอย่างนี้โอเค อ่ะทีนี้คําถามคือทาไงให้เกิดสติก็สติปัฏฐานสี่นี่แหละสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมมีสติปัฏฐาน 4. สานนี่สติปัฏฐานสี่นั้นนั่นน่ะคือสติสัมโพชงเพิ่มอันเดียวกันไส้ในเหมือนกันแต่ตั้งชื่อคนละอย่างบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการบรรลุทาให้เกิดวิชามิมุติเรียงไปเลยว่า เป็นโพโชงถ้าเฉพาะเจาะจงมาตัวของมันเองว่ารายละเอียดไส้ในมันเป็นยังไงนั่นคือสติปัฏฐานสเป็นการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคำถามคือจะทำยังไงให้เกิดสติปัฏฐานสลองคิดดูลองไตรตรองใคร่ครุญดูด้วยปัญญาของเราเอามันก็ต้องมีอนุสติสิ อะไรก็ตามที่จะทําให้สติมตามมาได้อนุสติถึงก็สอนไปหลายอย่างโนบางนยัยยะก็สอนไปหกอย่างบางนยัยยะก็สอนไ้อย่างหนึ่งบางครั่องก็สอนไปสามอย่างรวบรวมกันไม่ได้ทั้งหมดเขาได้10บอย่างด้วยกันเป็นอนุสติสิบประการมีการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติมีการตามระลึกถึงพระธรรมคือธรรมานุสติ การาระลึกถึงพระสงค์คือสังขานุสติการระลึกถึงศีลหรือศีลานุสติระลึกถึงการให้การบริจาคที่เราทําไปให้ไปนั่นคือจารการุสติระลึกถึงเทวดาคือคนที่เราเคยรู้จักแล้วเขาทําความดีด้วยความดีนั่นเขาก็ไปเกิดในที่ดีๆการระลึกถึงคนที่มีความดีแบบนั้นก็เรียกว่าเทวตานุสติ หรือการระลึกถึงความตายที่ว่าคนเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงบนจากความตายไปได้เหตุปัจจัยความตายมีมากเราควรที่จะต้องรีบทำความดีรีบทำความเพียร น, นั่นก็คือมรณะสติหรือการตามระลึกถึงกายว่ากายนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆอันไม่สะอาดมีความเป็นปฏิกูล มีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่น่าเกลียดไม่งามนั่นเรียกว่ากายกัตตาสติหรือว่านึกถึงลมหายใจก็ได้จมะมากำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าก็รู้ออกก็รู้เห็นกายการปรุงแต่งของกายเห็นจิตเห็นการปรุงแต่งของจิตทำการปรุงแต่งเหล่านั้นให้ระงับ เห็นความไม่เที่ยงต่างๆในขณะที่ก็รู้นออ้ไม่ใจไปด้วยนั่นก็คืออาณาปารณสติหรือเห็นความสง บ, บระงับเห็นคุณค่างนี้คุณค่าของความนิ่งๆิ่งสบายของความเย็นของความดับความระงับขืนนิพานนั่นก็เรียกว่าเป็นอุปสมานุสติเป็นอนุสติสิบอย่างรวมรวมมาไว้เวลาที่เราจะระลึกถึง ตั้งจิตกำหนดดูทรงจิตตามไปน้อมไปเนี่ยคือน้อมไปได้ใน10ข้อเหล่านี้การตั้งจิตคิดนึกระลึกถึง10ข้อเหล่านี้คืออนุสตินั้นจะทําให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นได้โอเคบ้างนึกวิธีการตามนะวิธีการปฏิบัติตรงที่เราจะทําจะปฏิบัติให้มีสติคุณเจริญอนุสติ10เนี่ย มีสติปัฏฐานสี่เกิดแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดโพชฌงเจตแล้วโพชงเจตเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิชาและวิมุตวิชชานี้ถ้าเบื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้อวิชาดับไปเพราะความจางคลายดับไปกองอวิชามันจึงมีความดับไปของสังขารเพราะความดับของสังขารจึงมีความดับของวิญญาณ เพราะความดับของวิญญาณจึงมีความดับของนามรูปเพราะความดับของนามรูปจึงมีความดับของสารยตันะเพราะความดับของสารยตันะจึงมีความดับของปัญญะเพราะมีความดับของผัญญะจึงมีความดับของเวทนาเพราะมีความดับของเวทนาจึงมีความดับของตัณหาเพราะมีความดับของตัณหาจึงมีความดับของอุปาทานเพราะความดับของอุปาทานจึงมีความดับของภพ เพราะมีความดับของพบจึงมีความดับของการเกิดเพราะมีความดับไปของการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความครับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เห็นทางแล้วใช่ไหมทุกังทางที่จะให้ดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ มันจึงเริ่มจากสติสติปัฏฐานสีนี่แหละอาศัยการทำอาศัยการปฏิบัติในวิธีการอนุสติสิบอย่างนี้ทุกเรามันจะดับไปได้ด้วยกระบวนการอย่างนี้ที่เราเห็นเป็นสายเห็นเป็นสายนี่นะมันไล่มาทีละกูละกูที่ว่าเราเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่เนี่ยเป็นฝนธีละเม็ดน้ำทีระยดมันสะสมดันชนดูเป็นกระแส ชนดูเป็นสายชนดูเหมือนเป็นตัวตนแต่จริงๆแล้วมันเป็นคู่เป็นคู่กันมาดันกันมาดันกันมาเขาจะให้อวิชาเกิดธรรมนก็ต้องมีอวิชชาใช่ไละ่ะถ้าอาวิชาจะเกิดแล้วต่อไปมันก็เป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารไปหนไปหมุนไ ป, นไปจะให้ความไม่รู้มันดับไปก็ต้องมีวิชาใช่ไหล่ ถ้าไม่มีวิชาอวิชามันก็ไม่ดับจะให้มีวิชาได้ก็ต้องมีโพชงถ้าโพชงไม่เกิดวิชามันก็ไม่เกิดถ้าโพชงดับวิชามันก็ดับวิชาดับอวิชาก็เกิดถ้าโพชงเกิดวิชาเกิดอวิชาก็ดับจะให้วิชาเกิดโพชงก็ต้องมีจะให้โพชงมีสติปัฏฐานสีก็ต้องมาถ้าไม่มีสติปัฏฐานสีเป็นเหตุ สติปัฏฐานสีดับไปเราไม่ได้ทำสติให้เกิดขึ้นองค์ทำเป็นการตัดสรู้ทำเจ็อย่างแต่ละอย่างโพช jong นั้นมันจะมีได้ไงมันก็ดับไปจะให้โพช jong เกิดสติปัฏฐานสีก็ต้องมีจะมีสติปัฏฐานสีได้ไงถ้าไม่เจริญอนุสติ10บไม่ได้ก็ถ้าไม่มีอนุสติไม่ทำไม่ปฏิบัติสติมันจะมีมาได้ไงถ้าอนุสติ10ดับสติปัฏฐานสีก็ดับแต่ถ้าอนุสติสิอันใดอันหนึ่งเกิด เสด็ประธานสีมันก็เกิดแลถามว่าใครเป็นคนทําอนุสติสิบอย่างนี้คําตอบกคือตัวเราถามว่าใครที่มันทุกข์อยู่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพริสัตว์มันก็ไดคุรุนเรื่องความทุกข์เนี่ยมันก็ตัวเรานี่แหละมนุษย์ทุกคนนี่แหละมันทุกข์อยู่มนุษย์ทุกคนนี่แหละมันลงมือทําสติได้มันเริ่มมาคนละสายนะ่าฟังนะแต่มันมาอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นเลย ตัวเรามีความทุกข์ใช่ไหมตัวเราก็ตั้งสติมันได้ถ้าตัวเรามีความทุกข์แล้วเราตั้งสติให้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่นะสเด็จประฐานสีไม่มีพ่อชงเจดไม่มีวิชาไม่เกิดวิชาไม่มีอะไรเกิดก็ถ้าไม่มีวิชาวิชามันก็มีเลยเพราะมันมีวิชามันอยู่แล้ววิชามีมาอยู่แล้วโอ้โหความทุกข์มันยิ่งหนักเลยที่มีทุกข์อยู่มันก็คือมีทุกข์อยู่ต่อไปเรื่อยๆมันก็วนไปในเวียนไปใน วุ่นวายไปไในหมลุงตุงนังอยู่ตรงนี้ปู้ยี่ปู้ยำบมลุงมาตุ้มที่ลุงตุงนังยุ่งเหยิงจนเหมือนกลุ่มได้ที่พันกันมั่วเลยมันแกะไม่ออกจะคลี่คลายออกได้ใช่ปะอาวิชามันต้องดับไปจะคลี่คลายออกได้ใช่ปะจิตเราต้องมีสติมีสติแล้วจะทำอาวิชาให้ดับได้ทำยัง ไ, ไงนะ กว่าเผาคุณมีสติแล้วจากการเจริญอนุสติอันใดอันหนึ่งเอาเ้าเห็นมารนึกถึงศีลเรานึกถึงการให้การบริจาคที่เราทําไปนี่ไม่ได้ว่าจะตบต้องเข้าฌาน อ, อะไรเลยนะแค่ว่าถ้าคุณได้เคยใส่บาตรพระได้เคยถวายทานให้คนนั้นคนนี้เคยช่วยขอทานบ้างเคยบริจาคในมูลนิธินั่นมันเป็นจารณาอนุสติแล้วปะ่ะใช่ปะ่ะเออใช่ เป็นจารการุสติแล้วระลึกถึงตรงนั้นอะไก็เป็นสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นละโ อ, อ้ทำไมเป็นสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นได้ไงนะ อ, อ้ก็เวลาคุณระลึกถึงเรื่องตรงนั้นมีศีลมีจาระเป็นต้นแล้วมีความระ ง, งับกายลงมีความระ ง, งับใจลงการระ ง, งับของกายได้นั้นก็ เ, เป็นการเหกายในกายเป็นขยันรูปสนาสีปัฏฐาน การที่พอราลึกถึงความดีที่เราได้เคยทํามาแล้วจิตเรามันระ ง, งับลงเย็นลงได้บ้างความระ ง, งับลงของจิตนั้นก็คือการเห็นจิตในจิตน่ะมันก็กลายเป็นสติปัฏฐานสีแล้วไงมีสติปัฏฐานสีแล้วนั่นน่ะก็เป็นหัวเป็นยอดของพ่องเจดแล้วไงพชองเจดมีสติสัมโพ่อจงไล่ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสติมีกําลังมากขึ้นก็นดันไปดันไปใช่ไหมน้ำตีระหยดสอหยด ตกมาเป็นหาฝนมันก็รวมกันเป็นลำลางขึ้นมาเป็นบึงน้อยเป็นลำลางเป็นบึงน้อยแล้วรวมกันเข้าไปฝนตกไม่หยุดมันก็กลายเป็นแม่น้ําน้อยขึ้นมาแม็น้ําน้อยรวมกันเข้าไปรวมกันเข้าไปนั้นต่อไอีกสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นโพุทงชงเจเกิดขึ้นแต่ละอย่างละอย่างมีกําลังมากเพียงพอที่จะให้เกิดวิชาคือความรู้ให้เกิดวิมุติคือความพ้นได้เพราะมีความรู้เท่าไหร่ก็ตามน้อยก็ตามนะ น้อยก็ตามความไม่รู้นั้นมันก็จางลายไปน้อยเท่า ก, กันกับที่วิชานั้นมันเกิดขึ้นท่านจึงจใช้คําว่าจางคลายไปค่อยๆถอนออกไปจเจ้าอวิชานี้จากที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันก็เข้าใจขึ้นนิดหน่อยจากที่เรายังงงๆมึนๆไม่แน่ใจเห็นแยง้งเคลือบแคลงมันก็แจ่มแจง้งมีความเข้าใจขึ้นนิดหน่อยตามลําดับของสิ่งนั้นอวิช aja างคลายไปเหมือน ที่มันมืดๆอยู่เนี่ยแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นนิดนึงอาจจะแบบไม่ได้เห็นเต็มที่นะเหมือนพระจันทร์คืนวันเพลนสมว่างเต็มที่ใช่ไหมแต่พอมันเริ่มคืนต่อไปต่อไปมันค่อยลดลงลดลงเนี่ยความสว่างก็น้อยลงน้อยล ง, ลงใช่ไหมและสถานดเดียวกันที่ว่ามันมืดสนิทอยู่เลยไม่เห็นอะไรเลยมีพระจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้ น, นในแตลน่ละคืนล้ะคืนก็สว่างขึ้นทีละน้อยละน้อยเออเราก็จะเริ่มเห็นอะไรได้บาง เริ่มเห็นว่าเออป็นสัง ก, กาการปรุงแต่แล้วี่เริ่มเห็นเออนี่มันมีกระบวนการธรรมะแบบนี้เกิดขึ้นนะเนี่มันเป็นคู่คู่ไล่เรียงต่อกันไปมันจึงดูเป็นสายนะนี่ยความทุกข์เราจึงมีนะเนี่ยนี่แบบนี้นะนี่คือลักษณะหนึ่งระหว่างที่ว่าจะทําความทุกข์ให้ดับไปได้ท่านไล่เรียงความคิดหมาแบบนี้แล้วจะรออนไรใช่ปะลงมือปฏิบัติเลยลงมือปฏิบัติเลย ทำในตั้งสติเลยมีสติแล้วมีความสงบระงับอะไรต่างๆแล้วมีสุขมีสมาธิเหล่านี้เป็นองค์ทำใกนการตริะสวดุวทําได้หมดลงมือทําลงมือปฏิบัติดูชิวว้นมันได้จริงไหมเพราะเพราะว่าลงมือทําลงมือปฏิบัติแล้วมันได้ผลจริงๆจึ ง, จงได้แต่งกําหนดบทเรียนชนะรวบรวมปรับความคิดให้มันได้มีความรัดกุมบอกสอนอออนอใหม่เงี้ยตรงฝังแล้ว ความยืดหยุ่นความคล่องตัวของธรรมะนีะ่นะคือกิเลสมันคล่องตัวปานไหนดี ด, ดิ้นยังไงธรรมะนี่เราต้องไวต้องคล่องตามนั้นเกันท่านจึงได้อธิบายแง่มุมนี้ใช่ไหมที่ว่าคิดว่าจากอวิชชาแล้วก็มีวิชาเกิดขึ้นเนี่ยใ้ความที่แต่และอย่างมันมีที่ตั้งอาศัยมีที่ตั้งอาศัยถ้าไม่มีอีกสายหนึ่งอีกกระบวนการหนึ่งที่ก็ เหมือนกันนี่แหละมาทําให้เจ้าความทุกข์มันดับไปได้ตะกี้เราไล่เรียงจากความทุกข์ใช่ไหมขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยจนถึงอวิชชาจนถึงทะลุผ่านไปวิชาทะลุผ่านไปโพชองเจตสติปัฏฐานสี่แปงนั้นทีนี้เอาใหม่เรามาทะลุทางด้านล่งางบ้างไล่เรียงพราอมกันมาเพราะอะไรมีหนะ้อาอวิชชามจึงมีก็วิชาถูกไหมเพราะอะไรดับนาะอวิชชาเป็นจช่ดับ กวิชาถูป่ะเพราะอะไรเกิดนะาะอวิชามันจึงจะดับกบวิชาไดมไหมนีม่คือคิดมาต่างนี้ทีนถ้าเราคิดไปทางนั้นเอ๊ะเจ้าอาวิชามันเป็นมาอย่างไรเนาะเจ้าสังขารถ้าเราจะบอกว่าเพราะมีอวิชาจึงมีสังขารใช่ไหมแสดงว่าเจ้าสังขารเนี่ยมีอวิชาเป็นที่ตั้งอาศัยถูกป่ะเออใช้คํานี้ก็ได้นี่นคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้มีความรัดกุมมีความหลากหลาย ประกอบด้วยความยืดหยุ่นให้เห็นแง่มุมต่างๆนะตรงฝั่งนะใช้คำว่าเป็นที่ตั้งอาศัยก็นอะสังขารก็มีอวิชชาเป็นที่ตั้งอาศัยเฮ้ยแล้วตามพระเจ้าอวิชชามีอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยก็อวิชชานั้นแหละเราคิดตรงนี้กันมาหลายรอบแล้วนะ break through มาแล้วจนถึงวิชชาใช่ป่ะทีนี้ไอ้เจ้าอวิชชาที่มีอวิชชาเป็นเรื่องอาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องอาศัยของอะไรพูดช้าหน่อยดูวฝั่งพูดช้าหน่อยอวิชชาที่มีอวิชชาเป็นที่ตั้งอาศัยเนี่ย มันเป็นท uh, in ี่ตั้งอาศัยของอะไรคําตอบก็คือสังขารไงเพื่อที่เราคิดมาได้แล้วตะกี้เนี่ยว่าเพราะอะไรมีสังขารมันจึงมีคำตอบเกี่ยวกัวิชาแสดงว่าอวิชชาเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของสังขารเพราะสังขารลักเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไรเอาสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณถูกปะล่ะเพราะว่าถ้าเหล่านี่้เป็นการปรุงแต่งอะวิญญาณก็เป็นที่ตั้งอาศัยของนามรูปนามรูปก็เป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ นามรูปอาศัยแล้ววิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นที่ตั้งอาศัยของอรยตนะคือสัจจตนะทั้งหกสัจจะตนะก็เป็นที่ตั้งอาศัยของภาษาถูกปะเพราะพอมีสัจจตนะมีช่องทางตาหูแล้วมันก็มีการกระทบกับภาพกับเสียงได้มีการกระทบกันในกรณีว่าเป็นภาษาพอมีภาษาแล้วก็จะมีความรู้สึกภาษาก็เป็นที่ตั้งอาศัยของเวทนา มีความรู้สึกแล้วอาศัยปัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยสุขบ้างทุกบ้างก็พอใจในความสุขไม่ชอบใจในความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจนั้นก็คือตัณหาตัณหาก็อาศัยเวทนานั่นแหละเกิดแล้วตัณหามันทำให้อะไรเกิดตัณหาเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไรตัณหาเป็นที่ตั้งอาศัยของอุปาทานง่อุปาทานล่ะมันเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไรก็เป็นที่ตั้งอาศัยของภพ พบมีอุปทานเป็นที่ทางอาศัยแต่บุฟังคิดตามไปตามหน้าปัดเข็มนาฬิกานะจากวิชาเป็นเลข12มาสังขารเป็นเลข11มาวิญญาณเป็นเลข10นามรูปนี่เป็นเลข9จนถึงเวสนามาเป็นเลข6เลข5นี่คือตันหาเลข3นี่คือพบเพราะมีพบนี่มันจึงทำให้เกิดอะไร อะไรมีพบเป็นที่ทางอาศัยคําถามคือชาติไงเราเริ่มเกิดความเข้าใจแล้วนะทุกฟังนะว่าเอ้ไอการเกิดกับการอาศัยมันก็คล้ายๆกันเป็นซินโนนิมเป็นคําความหมายคล้ายกันได้ว่าถ้าอะไรจะเกิดแล้วมันก็ต้องมีสิ่งนั้นแหละมันเป็นที่ทางอาศัยมันอาศัยอะไรอุบัติขึ้นสิ่งนั้นแล้วเป็นที่ทางอาศัยจะมีการเกิดได้ก็ต้องอาศัยพบไง พบมันจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของการเกิดไงทุบละการเกิดล่ะมันจะเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไรโอ้ยจะมีการเกิดแล้วความแก่ความตายความโศความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นในอยู่ตรงนี้มันมารุมมารุ่มกันตรงนี้ตอนแรกตั้งแต่เอพิโซดแรกเลยจำไว้นะเราไล่จากความทุกข์ย้อนขึ้นไปจนถึงอวิชชาใช่ปะ่ะจนอวิชชาเ้าทะลุไปจนถึงวิชาโพชฌง สติปรตารณ์สี่อนุสติสิบแล้ใช่ไหมตอนนี้เราไล่ทะลุมางล่างนะบอกนะเราไล่จากวิชามาเป็นอวิชามันจนถึงนามรูปหรือเลข9มันมาจนถึงเบธนาคือเลข6มันจนถึงเลขสคือพบมนจนถึงเลขหนึ่งคือความทุกข์นี่ให้เจ้าความแก่ความตายความโศความร้อนเนี่ยมันคือทุกข์คำถามคือว่าแล้วเจ้าตัวทุกข์นี่มันเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไร มีความทุกข์แล้วอะไรมันจึงมีอืมตะกี้เราคิดนะเพราะอะไรมีความทุกข์จึงมีใช่ปะตอนนี้เราคิดต่อไปวปะแล้วตอนนี้ทุกข์มันเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไรทุกข์มีอะไรเป็นผลของมันคิดดูคิดดูดดตะกี้ได้สองอย่างตั้งประวังอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายไว้ในช่วงของกุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วมีประศุดหนึ่งบอกไว้ชัดเจนเลยตรงเนี้ย บอกว่าทุกนี่มีผลสองอย่างคือหนึ่งรำให้ร่ำครวนทุกอกชกตัวถึงความเป็นพุ้งงุนงงคลั่งเพอ้อคือมีความหลงไหลเป็นผลนี่ก็ที่หนึ่งความหลงไหลนี่แหละอาศัยทุกจึงเกิดแบบที่หนึ่งนี้ก็ได้หรือการที่สแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้ซั หนึ่งหรือสองวิธีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกจึงเป็นผลของความทุกข์อันที่สองทมาผูฟังฟังให้ดีนะน้อมกลับก็มาหาตัวเราถ้าเราเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องเงินทองเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเรียนเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเจอแล้วมันไม่มีทางออกมันมึนตึงหกด้านแปดด้านเลยมันก็งุนงงเลแบบไปไม่เป็นนะ เพอจมอยู a, ่ในกองทุกบางทีก no ็ราให้กำําุรุษด้วยบกชกตัวอาจจะไม่ถึงกระนั้นแต่มันก็เครียดมันก็มีปัญหาใช่ปะเอ๊ะทําไงจะทำไงมันจะต้องหาทางออกจะทำไงจะทำไงคนนั้นก็พึ่งไม่ได้คนนี้ก็พึ่งไม่ได้เงินตอนก็ไม่มีสุขภาพจะทําไงหมอหนึ่งก็พึ่งไม่ได้ต้องหาทางออกใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวันีไปทางนั้นก็ตันไปทางนี้ก็ตันไปทางโน้นก็ไม่ได้ไอ้ที่ว่าได้ได้มันกลับไม่ได้ เปลี่ยนชื่อก็อดีดีมันกลับตายเหมือนเดิมไม่เห็นหายเลยเสียงเงินฟรีนั่นแหละมันจึงไม่ใช่ที่พึ่งที่ถูกต้องใครนอกจากเป็นที่พึ่งได้ใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนิ่มสําคัญตรงนี้จะทํายังไงถึงจะเอาลูกศรคือตัณหาที่ทิมให้เราทุกอยู่ตอนนี้ออกได้มันเป็นลูกศรที่มองไม่เห็นพระอวิชชามันบังเอาไว้ ดึงออกยังไงอะไรทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของอะไรที่จะทําให้เราเห็นได้นอว่าทางออกเนี่ยมันคืออะไรผลของความทุกข์นะจะมีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกตรงนี้แหละทุกฝั่งที่มันจะมาต่อกันว่าการที่คุณจะแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้ ไม่ต้องเอาสองแล้วเอาวิธีเดียวการแสวยหาตรงนี้คุณต้องมีศรัทธาทุกจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาฟังให้ดีจะให้เกิดศรัทธาได้นอะไรล่ะมันจะเกิดตรงไหนอ่ะศรัทธามันต้องเกิดตรงทุกไงทุกฟังอะไรเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธา เราจะให้ศรัท ธ, ธาเกิดได้เราเจอความทุกข์นั่งนะถูกแล้วเพราะว่าศรัท ธ, ธามันจะไม่เกิดตรงอื่นได้เราต้องเกิดตรงที่เรามีความทุกข์หนึ่งจึงเรื่อการเป็นศรัท ธ, ธาที่ทํานไม่เคยการปฏิบัติลงโดยคำจริงเพราะว่าถ้าเราไม่เจอทุกข์จริงเรามีศรัท ธ, ธานี่มันคือความเลื่อมใสธรรมดาเฉยมันเป็นความชอบใจเป็นความพอใจมันก็เกิดขึ้นได้แต่จะให้เกิดในระดับที่เรียกว่ามีความมั่นใจเลยนะี่นะมันต้องเจอความทุกข์ เราเจอความทุกข์อยู่ตรงนี้ทะลุกออกไปจะเปรกครูทางนี้ได้จะทะลุทะลวงออกไปตรงความทุกข์ตรงนี้ต้องหาที่พึ่งภายนอกหนึ่งหรือสองวิธีหนึ่งในวิธีนั้นคือมีศรัทธาในต่างกํมสอนของรพระพุทธเจ้าทะลุทะลวงมาทางนี้ว่าทุกข์นั้นเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา จะให้เกิดศรัท ธ, ธาได้อาศัยความทุกนี่แหละตัว น, นี้คำถามคือว่าแล้วมันจะไปต่ อ, อยังไงใช่ไหมอะไรมีศรัท ธ, ธาเป็นที่ตั้งอาศัยถ้ามีศรัท ธ, ธาแล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปตื่เราไล่เลี่ยงกันมาใช่ไหมว่าจากการเกิดเป็นที่ตั้งอาศัยของความทุกข์ตรงนี้นะสำคัญนะทุกฝังนะว่าความทุกข์เนี่ยมันแยกได้เป็นสองสายคือสายที่จมอยู่ในกองทุกข์ แล้วก็มุนตึงต่อไปกับสายที่มาแสวงหาที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายนอกคุณจะหาได้คุณต้องมีศรัทธาศรัทธานี่จะนำไปู่วอะไรศรัทธานั้นก็จะทำให้เกิดปราโมทปราโมทคือความสบายใจความดีใจโอ้เราเวยทางออกแล้วความมั่นใจตรงนี้จะทำให้เกิดความยินดีคือปราโมท ปราโมทกชื่อว่ามีสตาร์เป็นที่ตั้งอาศัยปราโมทต่อไปแล้วมันก็จะทำให้เกิดปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีตินี่ก็จะลีกกว่าปราโมทหน่อยหนึ่งปราโมทเนี่มันคือยินดีร่าเริงเบันเทิงใจปีตินี่มันจะมาในทางเย็นๆสุขใจอยู่ในภายในมีปราโมทแล้วพอมันระงับลงมันก็เป็นปีติมีปีติความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วลเอียดลงไปมันก็เป็นปะะัจติ ปสัสตินี่คือความสงบระงับเป็นตัวเดียวอันเดียวกันกับเจ้าปสัสทิสำโพชงปีตินั่ก็เป็นอันเดียวกันกับเจ้าปีติสำโพชงนี่เราทะลุมาทางด้านความทุกข์ใช่ไหมเมื่อกี้เราทะลุทะลวงไปทางด้านอาวิชชาเราก็จะไปเจอโพชงเจออนุสติสิคราวนี้เราทะลุมาทางความทุกข์เราก็มาเจอปีติเจอปสัสติซึ่งเป็นองค์ธรรมของโพชงเหมือนกันมีปีติมีปสัสติมันก็มีความสุข มีความสุขอยู่ในภายในเพราะว่าจิตหั่งับลงแล้วความสุขเนี่ยก็อาศัยปัจสถานะปัจสถานะก็อาศัยปีติปีติก็อาศัยปราโมทปราโมตก็อาศัยศรัทธาศรัทธามาไงนะจึงเกิดศรัทธาจริงๆนะ่ยไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าไม่ใช่ศรัทธาแบบความพอใจไม่ใช่ศรัทธาแบบลมๆแรงๆไม่ใช่ศรัทธาแบบอ้อนวอนขอร้องคุณต้องเจอปัญหาคือความทุกข์ทุกข์เหมือนจึงเป็นที่สร้างอาศัยของศรัทธา ยาไปังห่งนะศัทธาเป็นที่ตั้งอาศัยของปราโมทมีปีติมีพลัสนิมีความสุขจิตเป็นยังไงเป็นอารมณ์ันเดียวคือสมาธิจิตเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิเมืมันจะเห็นตามความเป็นจริงได้สมาธิเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของการเห็นตามความเป็นจริงตัวเด็กว่ายาาปูตญาณทศนะเห็นตามเนื้อผ้าของมันเห็นตามความจริงของมัน ตรงนี้จะเรียก ว, ยว่าเป็นการไตรตรองไตรกุลน์ด้วยปัญญาก็ได้เป็นธรรมวิชยาก็ได้เพราะเราเห็นตามความจริงแล้วมันจะมีความหน่ายในที่นี้คือเบื่อหน่ายในที่นี้คือนิพิทาไม่เหมือนกันกันกบความเบื่อเซ็งพอมีความเบื่อหน่ายมีนิพิทาแล้วมันจะมีความคลายกําหนับความคลายกําหนักก็อาศัยนิพิทาความหน่ายเหลอือเกิดมีความคลายกําหนักแล้วมันจะ พ้นจากกันมันจะแยกตัวกันมันจะไม่จับกันให้ความพ้นจากอันนี่คือวิมุตย์ไงวิมุตย์นี้มันก็อันเดียวกับตรงวิมุตที่เกิดพร้อมกันกับวิชาหลังจากพ่ชองเจตนั่นแหละมีพ่ชองเจตแล้วมันจึงจะมีวิชาคือความรู้วิมุติคือความพ้นอันเดียวกันอันเดียวกันมีวิมุตคือความพ้นมีวิมุตตรงนี้มันก็เกิดวิชาด้วยมกันน่ะมีวิชาตรงนี้อวิชามันก็ดับไปไงจางกลายไปดับไปแน่ มีวิมุตต์คือความพ้นแล้วมันก็จะมียานในความสิ้นไปของวิมุตต์ยานตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดนิพพานต่อไปเพราะอะไรเพราะอาสวะมันสิ้นแล้วยานในความสิ้นไปคือให้เกิดความพ้นใช่ไหมอาสวะมันจะดับไปอาสวะดับไปสิ้นไปก็นิพพานนั่นแหละนิพพานคือความเย็นนิพพานคือความดับไปของเจ้าอาสวะก็อาศัย นี่ไงยาในความชิ่นไปยาในความชิ่นไปอาศัยอะไรก็อาศัยมิมุติคือความพ้นมิมุติคือความพ้นอาศัยอะไรวิราคะคือความคลายกำหนันวิราฆะอาศัยอะไรความนายไงโอ้นายเบื่อไนนี่คือนิพิทาอนิพิทาอาศัยอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงไงเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อไนที่ยะถาปูตายนัทัศนะเฮ้ยเจ้ายะถาปูตายานัทัศนะเห็นตามความเป็นจริงอาศัยอะไรอาศัยสมาธิ มีสมาธ the the the ิดำมันเห็นตามความเป็นจริงสมาธิอาศัยอะไรก็อาศัยความสุขไงมีความสุขเย็นใจมัจิตเป็นสมาธิแล้วนั่นแหะแล้วความสุขนี้อาศัยอะไรความสงบระงับไงความสงบระงับคือปัสสิแล้วจิตมันก็เป็นเย็นๆลงไปแล้วเอบความสงบระงับอาศัยอะไรมันก็เป็นปีติมาก่อนเป็นปีติเป็นปราโมทมามันจึงมีปสสติแล้วเจ้ปีติปราโมทนี้อาศัยอะไรคุณทำไงถึงคุณมีความสบายใจได้ ศรัทธาไงพระโมนีิมีศรัทธาเป็นที่ตั้งอาศัยถ้ามีศรัทธาแล้วไม่มีความดีใจเนี่ยมันไม่ใช่นะมีศรัทธาแล้วมัจะลงมือทําจริงแน่ๆจริงมันยิ่งมีความมั่นใจคำถามคือแล้วศรัทธาอาศัยอะไรทุกไงท่านฟังศรัทธานี่มีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยมีทุกมีปัญหาเราจึงจะเกิดศรัทธาได้ทะลุทะลวงมาตามนี้ ในเอพิโซดหน้าดูฝั่งข้าพเจ้าจะมาอธิบายต่อตรงนี้ว่าไอ้แต่ละอาการของสายที่ทะลุทะลวงมาทางการเกิดนี่แต่ละอาการเป็นอย่างไรจะมาเปรียบเทียบกับทางที่ทะลุทลวงไปทางอาวิชชาด้วยเพราะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วกูที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าทำไมบางคนทุก์แล้วเขาไม่มาเกิดศรัทธาได้ทาไมบางคนทุก์แล้วก็ยังจมอยู่ในกองทุกข ทุกแล้วจะทํายังไงให้ศรัทธามันเกิดนีด่พูดมันง่ายอยู่ใช่ปะแต่ทําจริงๆเนี่ยทำไมคนพ้นทุกข์มันน้อยคนเจอทุกข์แล้วทําไมไม่ถึงวิชาวิมุติปล่อยวางได้เหมือนกันทุกคนทําไมแค่บางคนแล้วบางคนเขาทํำยังไงองค์ประกอบอะไรที่จะทําให้ทุกนั้นมีศรัทธาเป็นที่ตั้งอาศัยได้องค์ประกอบอะไรที่พอเราเจอทุกข์แล้วจิตมันจึงจะมาแยกทางที่สอง คือให้เกิดสัทธานี้เราจะมาว่ากันในสัปดาห์หน้าร่วฟังในช่วงของใตร้ร่มบริบทวันนี้เราได้พูดถึงการทะลุทะลวงไปในสองดงังในกระบวนการความทุกข์ที่เราเจออยู่ทุกข์ที่เรามีอยู่นั้นมีรากเหง้ามาจากอาวิชชาร้อยรัดยึดโยงกันด้วยตัณหาถ้าไม่เกิดความทุกข์เราเบรกทู h ทะลุไปทางอาวิชชาก็ได้ ถ้าไม่มีพโพรชงมีสติปัฏฐานสี่มีอนุสติสิบหรือเราจะะลุกมาทางความทุกข์ก็ได้ถ้าไม่มีศรัทธาปราโมทปีติปัสสิทธิเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้มาได้สองทางมีความยืดหยุ่นมีความคล่องตัวสูงไปทางไหนก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ทุกฝังหวังว่าท่านคงจะได ส่วนของปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านใดบอกสอนแจกแจงเอาไว้ข้าพเจ้าก็อธิบายตามที่ท่านสอนนั่นแหละท่านสอนมาไงก็อธิบายไปงั้นท่านผูฟังจงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเพียรได้ดวงตาที่พระพุทธเจ้าท่านใดมอบไว้ให้ผ่านทางคําสอนเหล่านี้ช่วงของใต้ร่มบริบท น, นั้น จะมาพบกับทมุฟังเป็นประจำในตุ้วันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6กโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org p a n y a. org กัาพระชาพระมหาไพบุญอาพี่ปุณโญ พบกันใหม่นวันปรุ่งนี้จรฬาภรณน